การศึกษาเรื่องวิญญาณสำหรับผู้เริ่มต้นเสียงงานหนังสือวิญญาณคืออะไรเล่มสองโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณสำหรับเนื้อหาในเล่มนี้ท่านจัดเป็นเล่มที่สองโดยท่านเขียนเล่มหนึ่งก่อนในแบบวิชาการเชิงลึกแล้วค่อยมาเขียนเล่มนี้สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาจะได้เข้าใจได้โดยง่ายดังนั้นจึงจัดทำเป็นเสียงงานในเล่มนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นขอให้เข้าใจคำศัพท์ก่อนว่า วิญญาณจิตมโนมณนะมนัดและคำว่าใจมีความหมายเหมือนกันใช้แทนกันได้แต่ครูบาอาจารย์บางท่านอาจอธิบายคำว่าจิตกับใจต่างกันเช่จนจิตหมายไปถึงจิตสำนึกและใจหมายถึงจิตไร้สำนึกซึ่งผู้ศึกษาต้องเข้าใจจุดประสงค์และความหมายตรงตามผู้สอนแต่ละท่านด้วยโดยเฉพาะในสายเน้นปฏิบัติอาจจะได้เห็นการใช้ศัพท์เฉพาะ เพ อ, อธิบายแนวทางของท่านที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนก็ได้นะครับในที่นี้อาจารย์พรท่านใช้คําว่าวิญญาณตรงกับหลักการสามัญคือเป็นความหมายเดียวกับจิตและใจซึ่งท่านแบ่งเป็นสองประเภทหลักให้ศึกษาในเบื้องต้นก่อนคือวิถีวิญญาณหรือวิธีจิตคือจิตสํานึกกับพะวังควิญญาณหรือพะวังคจิตคือจิตไร้สํานึกกับเรื่องกรรมและวิบากซึ่งต้องเข้าใจไปพร้อมกันนอกจากนั้น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 ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาเห็นตามจริงจากความเข้าใจในผลของกรรมความเข้าใจเรื่องวิ ญ, ญญาณที่ถูกต้องจะมีผลชัดต่อการลาสักยทิฏฐิความยึดมั่นเห็นผิดไปว่ากายใจนี้เป็นเราวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในบาปบุญและกฎแห่งกรรมเป็นต้นและศิลปตะปรามาตยความงงงายในข้อวัดปฏิบัติที่ไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเบื้องต้นสู่การบรรลุธรรม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 เพราะสิ่งเหล่านี้จําเป็นที่ต้องกล่าวถึงซ้ําเพื่อประโยชน์และความเข้าใจให้ลึกที่สุดของผู้ศึกษาจริงๆแม้ท่านจะบอกว่าเป็นการศึกษาเรื่องวิ ญ, ญญาณสําหรับผู้เริ่มต้นแต่ก็หมายถึงการอธิบายในประเด็นหลักที่ควรรู้ก่อนในเบื้องต้นซึ่งวิ ญ, ญญาณเป็นเรื่องนามธรรมที่ปกติก็เข้าใจยากอยู่แล้วซึ่งในที่นี้อาจารย์พรท่านอธิบายถึงรายละเอียดในระดับที่ลึกกว่าที่สอนกันทั่วไปแต่บางจุดจึงอาจดูเข้าใจยากไปบ้าง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 ที่จะได้เห็นแง่มุมที่หลากหลายรอบด้านมากขึ้นนะครับจากประวัติของอาจารย์พรนั้นท่านเคยบวชและเป็นสหายธรรมเทศคู่กับลุงพ่อปัญญาจนลาสิกขามารักษาตัวและมาเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยสงฆ์และสถาบันการศึกษาชั้นนําอีกหลายแห่งท่านเป็นผู้แตกฉาในภาษาบาลีเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีศึกษาพระไตรปิฎกและคมภีร์ของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องรวมถึงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และปรัชญาอื่นๆ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 สำหรับเรื่องวิญญาณในแนวทางของอาจารย์พรนั้นท่านอธิบายลงลึกไปในระดับที่หลายคนอาจค้านว่าไม่มีกล่าวถึงในพระไตรปิฎกก็โปรดเข้าใจอีกครั้งนะครับว่าพระพุทธเจ้าจะทรงสอนคนให้เหมาะสมกับอธัธยาศัยเท่านั้นครูบาอาจารย์หลายท่านก็เช่นกันนะครับท่านสอนสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือเหมาะกับสิทธิตรงหน้าบางท่านไม่พูดถึงเรื่องภพชาติเลยเราดูแล้วก็เสียเวลาเหมือนอธิบายคนตาบอดให้เข้าใจว่า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 แต่แนะนำนะครับว่าควรฟังไปตามลำดับจะดีที่สุดไม่ควรข้ามไปฟังเพียงบางหัวข้อเพราะจะทำให้เข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ตรงได้นะครับเสียงานโดยอริยคุณชมรงผลดีร่วมจัดทาโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตค ร, รอบครัวปิติเจริญกุลสริญญาอริยชาติพดุงกิตเจ้าภาพรองพีรพัอุจระสริติกุลครอบครัวอมวงศีทัชวดีพมาราณ น, น สุมเมธคุ้มวงร่วมกับพนอมรักเพ็สเถียนสุภาพร์ทบุญประเสริฐยานินเวียงเกตทวีช่างพินิษรครอบครัวสีโพคาชาชูพันน้ำปันร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับ